ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่งปะโตธิยานในวันนี้คงเป็นการพูดถึงโพชงคือองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดรู้ธรรมซึ่งได้นำเสนอแนวค่อนข้างพิสดารเอาในยา่าจากพระสูตรและอัตถกถามาสืบต่อกันตัวที่จริงธรรมะก็คือปริยายของธรรมะ เจะพูดตอนไหนก็ได้เราจะเชื่อมโยงถึงกันเองการศึกษาโดยวิจิตพิสดารมันก็ทําให้เห็นนัยยะในแง่มุมต่างๆว่าโอก็จริงแล้วธรรมะก็ก็เชื่อมต่อถึงกันเดี๋ยวดิงเจอเรื่องซ้ําซ้ําก็คือต้องซ้ํานะฮะเป็นธรรมดาว่าต้องซ้ํามันก็เหมือนกับชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ซ้ซซซําๆำซากๆา อาบน้ําแล้วอาบน้ําอีกกินแล้วกินอีกนอนแล้วนอนอีกแต่งตัวแล้วแต่งตัวอีกก็ก็ก็ซ้ำซ้ำซากๆเนี่ยการกระทําบางอย่างเนี่ยแม้พระอรหันต์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีพฤติกรรมที่ซ้ําๆำซากๆได้จึงกิจวัตรประจําวันต่างๆนะท่านเนี่ยก็เป็นกิจวัตรซ้ำซ้ซากๆเช่นบินตบาดก็บินตาบาดบินแล้วบินอีกอย่างเนี้ย ตอนทมานั้นอย่าไปคิดว่าเออทำไมต้องซ้ำทำไมต้องพูดซ้ำมันมันเป็นเรื่องต้องซ้ำอะ่ะเป็นเรื่องต้องซ้าก็ได้พูดถึงเหตุได้เกิดปิติมาโดยดําดักเราพูดมาถึงข้อที่สี่นะฮะคือสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติในจักรสรุ ธ, ธรรมคือสติ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดเจริญธรรมคือธรรมวิจัยสองข้อ น, นี้ก็คือสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือสติกับปัญญานั่ยเองแล้วก็มาถึงปีติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดเจริญธรร ม, รมคือปีติอันนี้ก็เป็นองค์ข้องชาญนะเป็นองค์ของชานอย่างหนึ่ง เป็นอะไรเป็นธรรมสมาธิตกลงว่าหลักการในพจชงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสมมาสติสัมมาสมาธิพูดง่ายๆว่าเป็นจิตสิกขากับปัญญาสิกขาเรื่องศีลก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันหมายความว่าเีลก็ต้องมีอยู่แล้วโดยโดยปกติธรรมดา จะเป็นการเดินไปบนเส้นทางอริยมรรคนั่นเองโดยไม่ได้พูดถึงอริยมรรคนะฮะแต่ที่จริงก็คืออริยมรรคเพราะธรรมะกุศลและธรรมส่วนเหตุทั้งหลายเนี่ยสรุปรวมลงที่อริยมรรคหรือรวมลงที่ใจสิกขาไม่ว่าจะแสดงโดยโวหารปฏิพานออกไปยังไงก็ตามนะมาจากลากเง่าเดียวกันคือวิชาหรือสมาธิทฐินั่นเอง ในเมื่อเกิดปีตินี่ปีติที่จริงมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไรหรอกมันทําให้ใจมันฟูขึ้นมาแล้วก็ทําให้เพลินติดอยู่ในทรงนั้นติดปีติเนี่ยฮติดปิตินี่ติดหน้าดูงกันนะคบางทีก็ติดเอานานๆเลยพอเข้าสมาธิไปถึงปิติก็เพลินเดียวกับปิติมันคล้ายๆกับคนดีใจมากๆอ่ะให้ลองสังเกตว่าคนที่ดีใจมากๆบางทีขาดสติ ถ้าว่าเขาทำอะไรแล้วเขาดีใจแล้วเราก็ถ่ายภาพไว้เนี่ยเราจะเห็นนั่นเีว่าอาการก็ขีดผิดปกติมันควบคุมตัวเองไม่อยู่อาการปีตินั้นก็ดีกว่าดีใจหน่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากธรรมะแต่บางครั้งก็ถ้าถ่ายภาพไว้ก็เห็นอาการไม่ปกติเหมือนกันมันถึงจุดหนึ่งมันต้องสงบสงบสงบสง บ, สง บ, ส, งบสงบลง อยู่ในจุดที่เราเรียกว่าปัจ ส, สัทธิคือแปลว่าสงบกายสงบจิตกายสงบลงจิตสงบลงมันก็กลายเป็นอาการของเสียงของสมาธิของปัญญาที่เด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเสียงกับสมาธิมันเด่นชัดขึ้นทีนี้ปัญหาว่าทำยังไงจึงจะเกิดปัจ ส, สัทธิในอัตถกถาท่านแสดงเอาไว้เจ็ดประการด้วยกัน การแรกก็คืออาหารอีกละอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะชีวิตของคนเรามันอยู่ได้โดยอาหารอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีมันง่วงอ่ะง่วงนอนแล้วก็ต่อไปพออาหารย่อยเนี่ยมันไปเสริมพลังือความต้องการในทางเพศมีปัญหานิวรณ์สองข้อคือมีปัญห า, าถีน้มิทะในตอนต้นแล้วก็กรรมฉันในตอนปลายอาหารน้อยเกินไป มีปัญหาเป็นกุกุจะคือรำคาญในตอนต้นแล้วก็เป็นพยาบาทในตอนปลายเพราะอาหารจะต้องสัปพายะคือประนีตแล้วก็สัปพายะคือให้ความสะดวกสบายแก่ท่านที่ปฏิบัติท่านเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านเก่งพร้อมหมดอะไรพร้อมหมดอะเสียอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องอาหารทองใช้ทองใช้มันไม่เล่นด้วย ท่านก็ไม่สามารถทำจิตใจสงบได้จนได้อุบาสิกาท่านหนึ่งที่เคยสร้างสมบุญร่วมกันมาในภพชาติบางก่อนก็เป็นพระยะบุคคลระดับอนาคามมีรู้ว่าท่านมีการความกดตกข า, ขาตกปกคร้องอะไรก็ไปเสริมให้ในจุดนั้นในสุดท่านก็บำเพ็ญเพียรได้บรรลุมรรคผลได้ ถ้าอาหารมันไม่เป็นอันตรายเขาเรียกว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาจจะหยาบกลางละเอียดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอนะฮะแน่นอนว่าถ้าอาหารมันช่วยให้ท้องไส้มันดีนี่มันปกตินี่มันช่วยเยอะมันควบคุมสมาธิเยอะนะเช่นสมมติว่าเราจะทําหนังสือจะทํางานจะอ่านหนังสือจะบรรยายอะไรแต่ว่าท้องไส้เราผิดปกตินี่สมาธิแตกเลยนะสมาธิเอาไม่อยู่เลย เพราะว่ามันกลายเป็นความวิตกกังวลความปวดใจกลัวอาการท้องไส้มันจะกําเริบรุนแรงจนคุมไม่อยู่ดังนั้นเรื่องโภชนะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าได้โภชนะที่ประณีตแล้วก็พอประมาณไม่มากไม่น้อยเรียวกว่าโภชนมนตันอยูตาได้ที่อยู่เป็นที่สบาย คืตามปกติแล้วก็เรียกว่ากายวิเวกคือกายได้สถานกายได้สถานที่ที่สงบเงียบจากเสียงรบกวนแล้วก็กายสงบตามหลักของศีลก็เป็นกายเวกคือสงบด้วยสถานที่ด้วยสงบด้วยพฤติกรรมด้วยอิทธยบทที่ใช้นั้นต้องสม่ำเสมอ อยู่ียาบทใดยบทหนึ่งมากเกินไปเนี่ยไม่ดีอย่างอียาบทของพระเนี่ยอยู่กับนั่งในมากเกินไปผนพระจะมีปัญหาที่เขาแล้วจะเห็นว่าญาติโยมทุกวันในปัจจุบันในา ก, การดังเกตญาติโยมผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาที่เขาก็าแสดงว่าใช้อยาบทนั่งเกินไปนั่งมากเกินไปอยาบทจะต้องปรับให้สม่ําเสมอ ถ้ามากเดินไปก็มีปัญหายืนเดินนานเกินไปก็มีปัญหานั่งนานเกินไปก็มีปัญหานอนนานเกินไปยิ่งมีปัญหาใหญนะ่เดินนานเกินไปก็มีปัญหาเพรา ะ, ะนั้นอิยาบทเนี่ยควบคุมให้สม่ำเสมอก็ เ, เรียกว่าอิยาป ะ, ะสัปปายะกุลยาบทเป็นที่สบายจินว่าการนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างยืนจงกรมได้บ้าง ยืนพิจารณายืนฝึกสติตัวเองก็แล้วแต่อยู่ในยบทใหญ่อะไรก็ตามให้มีสติมีสัมมชัชนญาอยู่ถ้าเราพูดในที่นี้ก็คือมีสติมีธรรมวิจัยอยู่แล้วก็มีความเพียรอยู่นะตรงนี้ท่านผู้ฟังคงนึกออกว่า ก็คือธรรมะในสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานาสูตรที่ส่งแสดงเป็นหลักการปฏิบัติทุกข้อของสติปัฏฐานาสูตรแต่ตรงนั้นตรงใช้คมว่าอาตาปีสัมมจาโนสติมาวินิยะโลเกพิจโดโอมนัสสัอาตาปีคือมีความเพียรเป็นไปทั้งทางกายทางจิตอย่างแรงกล้าสามารถเผากิเลสได้เกิดความเร้าร้อนสติมามีสติ สมัมปชญ n นะมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมก็คือเนี่ยหละโพชฌงคสามข้อแรกนี่เองก็อยู่เขาทุกแข่งอ่ะวันจะไม่ให้ซ้ำไม่ได้อะสติสมัมปช ana คือการใช้ธรรมะทุกข้อนะการจะละชั่วประพฤติดีทุกข้อเนี่ยต้องมีปัญญาการประพฤติดีแต่ถ้าขาดปัญญาแล้วก็โง่ก็ได้นะ ชันว่าขันตินี่ใช่เมื่ อ, อไร่ใช่ยังไงใช่กับใครใช่ในกรณีอะไรมันต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ขันติเอาตลอดระยะเวลาเลยจนก็ต้องขันติเอานะถูกถูกดุถูกด่านะขันติได้นะฮะแต่ว่าจนมันไม่ให้ขันตินะมันจะต้องแก้ไขเวลาเนี้ยเราบางทีเนี่ยเคยสังเกตเรื่องหนึ่งที่ชี้จริงมันอยู่ในชาดกอยู่ในสุตโสมชาดก และเราก็ศึกษาเราก็ฟังกันมาเราก็ไม่สืบสาวถึงเจตนารมเพราะเจตนาลมในตรงนี้นี่คืออะไรที่บอกว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอนถึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์ธรรมะเอาไว้ธรรมะในที่นี้เขาหมายถึงสัจจะปฏิญาณ น, นะ หรือสัตยาธิฏฐานหรือสัจจะปฏิยานตัวสัจจะนะฮะตัวสัจจะที่เป็นเจตจำนงเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นให้ได้แล้วมันมีอะไรมารบกวนมาโวแวร์ทำให้จิตใจอ่อนไหวไปไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยต้องสละสละทั้งทรัพย์ทั้งอ ว, วัยว่าแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสัจจะตรงนั้นไว้ได้อย่างเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ตอนประทับนั่งไปใต้ต้นโพนี่รักษาอย่างเนี้ย คือเราทรงใช้ความเพียรแบบจตุรงค์มาหาประธานว่าแม้เลือดเนื้อในกายก็เราจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่นังอินกระดูกระดาบนะ่ยถ้าไม่ได้จัดสรู้ด้วยความเพียรพยายามของพระองค์แล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอารชนะเป็นสัตยาธิฐานเป็นจตุรงคกมาาประธานแต่ไม่ใช่ถึงกับปฏิญญานะครับเพราะว่าอยู่พระองค์เดียวเพรา้งไม่จัดรู้พระองค์ก็นั่งอย่างนั้นเนี่ย มีสองทางทังหนึ่งคือตายกับตัทโธและทีนี้เมื่อเราไม่ศึกษาไม่สืบสาวเราก็ว่าไปอิเลกเกะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรแต่ใดเนี่ยบางทีก็เดินขบวนทุบทําลายเผาบ้านเผาเมืองบอกเรียกร้องความเป็นธรรมไอ้ตัวเองไม่มีความเป็นธรรมอยู่เลยที่ทําเนี่ยทั้งหมดมันไม่มีความเป็นธรรมอยู่เลยแล้วเราก็ไปเรียกร้องความเป็นธรรมแต่สังคมก็อ่อนแอนะฮะไปส่งเสริมสนับสนุนไปยกย่องชื่นชมกับบุคคลเหล่านี้ ตัวสังคมจะไม่มีเกณฑ์อะไรเลยคนเผาบ้านเผาเมืองเป็นบีรชนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เราโลกมันอยู่ไม่ได้สังคมมันอยู่ไม่ได้ก็ช่วยกันเผาบ้านเผาเมืองแล้วเป็นวีรชนกันหมดเลยแต่นี่คือหลักการที่เราเราไม่เข้าใจว่าธรรมะในที่นี้ต้องเป็นสัจจะต้องมีปัญญาเข้ากันกับไอ้มันหมายถึงอะไรคือไม่ใช่ไปตีความตัวเองนะคือธรรมะนี่มันเป็นเขาเรียกปริยายคือนัยหนึ่งนัยหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระเจ้าสุตโสมเป็นประเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระเจ้าสุตโสมรับสั่งแก่ม้าโจโรโพธิสัตว์โดยก่อนที่จะรับสั่งนั้นก็ได้ขอสัจจะปฏิญาณกันก่อนว่าจะขอพรห้าประการ ขอมามาถึงข้อที่สี่กับข้อที่ห้านี่ขออย่าให้โจทย์บริษัทกินมนุษย์เนี่ยกินคนเนี่ยโจทย์บริษัทไม่ยอมสุสมตสงฆ์ก็ทวงเดียเงี้บุคคลเพื่อรักสาทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะณสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุศนึงธรรมะนี่ต้องพร้อมต้องพร้อมสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรมะเอาไว้เพราะฉะั้นตรงเนี้เราจะจะเห็นว่าอิทยาบทก็เหมือนกันมันต้องมีปัญญาเข้ากำกับ ธรรมะที่เราเออกมาปฏิบัติทุกข้อจึงต้องมีปัญญาถ้าขาดปัญญาแล้วก็ยุ่งไนะงฮเพราะฉั้นเราพูดเรื่องสติปัญญาสติสัมมจัญญาอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าอะไรก็ต้องอยู่ในทุกเรื่องความเพียร น, นั้นเป็นตัวพลังที่จะขับเคลื่อนให้จิตมันก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ดังนั้นอิเดียบทจึงต้องควบคุมต้องมีเหตุผล และประกอบประกอบตนเป็นกลางนะฮะคืออย่าไปยินดียินร้ายกับอะไรฝักไฟกับอะไรมากเกินไปถ้าฝักไฟกับอะไรมากเกินไปแล้วใจจะไม่สงบ ม, มันจะเกิดยินดียินร้ายมันจะเกิดสุขทุกนะฮะเราลองสังเกตว่าสมมติว่าเรามีคนรักมีคนช่งหลายคนมีคนรักหลายคนพอคนที่เราชังประสบปัญหาเราก็สะใจเลย พอคนชังประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็เสียใจเลยเห็นไม้มใจไม่เป็นกลางแกว้งเลยพอประสบกับคนที่เรารักเนี่ยคนที่เรารักประสบปัญหาเราก็เสียใจเลยพอคนที่เรารักประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟูเราก็ดีใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมด้วยไปแสดงชื่นชมยินเดียอะไรกับเขาถ้าเขาไม่เลี้ยงเราก็โกรธอีกเรยก็มั่วๆอย่างเงี้ย เพืไม่ต้องวางตัวเองให้เป็นกลางเขาเรียกมัธยัติเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ไม่ปักใจฝังใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนั่นก็คือไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายเรื่องหน้าความรักความชังนะฮะถ้าเรามีรักมากชังมากแล้วยุ่งทุกทีนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไปแตะก็ดูเถิดยุ่งมั่วสับสนไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทํำยังไง แต่ถ้ารักยังมีปัญญาไม่พอใจก็ไม่ไม่พอใจเหมาะควรกับความผิดของเขาแต่ว่าเราไม่เอาความไม่พอใจนั้นไปเก็บไว้ภายในใจครับถ้าเขาทําไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีแต่ไม่ดีนั้นต้องอยู่ที่เขาไม่ใช่เราเอาความไม่ดีของเขามากลุ่มมาวิตกกัง ว, วลเวลาเนี้ยมีคนแบกโลกเยอะโลกก็มีให้เหยียบก็อุตส่าห์มาแบกโลกกันแล้วก็ผลเมื่อท้ายก็เดือดร้อนร้นต้องวางตัวเป็นกลางก็เรียกประกอบตนเป็นกลาง แล้วเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นในแง่ของกฎแห่งกรรมเขาที่น่าสังเกตประการหนึ่งว่าพอทุองพูดกฎแห่งกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยถ้าให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอแล้วเป็นสูตรลงตัวเลยเนะเป็นสูตรลงตัวเราท่องไว้ทีเดียวเราก็จบแล้วเอาไปใช้ได้ตลอด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 ประสบปัญหาต้องติดคุกเพราะไปฆ่าคนตายมันก็เป็นไปตามกรรมของเขาคนที่เราชังไปทำความดีประสบความเจริญก้าวหน้าก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราการมูนทนาเขาทำอะไรไม่ได้ทั้งสองฝ่ายวางเฉยทั้งคู่เลยแต่ถ้าทำได้เนี่ยเราเห็นว่าฝ่ายคนที่เราชังแต่เขาประสบควมดีทําความดีมากๆ แล้วประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็มโนธน า, าสาทุกเขามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเราได้อาศัยความดีของเขาเป็นเครื่องมือในการทำความดีแต่ว่าคนที่เรารักไ ป, ไปประสบ ก, กรรมตัวเองโดยการกระทำความผิดแล้วก็ติดคุก ม, มันก็สมควรแก่กรรมเขาเราก็ลงตกไปตามกฎของกรรมเราไปแข็งขืนอะไรไม่ได้แม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ เพราะในการสาธยายตรงนี้ยคือจับเป็นหลักใจว่านึกปั๊บไปถึงกรรมไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิ่มีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันได้ไวจะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นทีน่ีนการปฏิบัติธรรมะเนี่ยคนหนิมเรื่องใหญ่ใหญ่พป็นผู้เผาเลย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ากัลยาณมิตรเป็นตัวปรมาจันทีเดียวคือจะบวกหรือจะลบ ก, ก็อยู่ ท, ที่ที่คนเนี้ยแต่ถ้ากัลยาณมิตรมันก็บวกกันนะนะเพราะปัญหาว่าเราคบกับใครล่ะถ้าคบกับคนที่มีกายขนองกายขนองวาจาเนี่ยเราเสร็จเลยเราสงบไม่ได้นะฮะเพราะว่าแกกระแทกเราตลอดระยะเวลาเลย เช่นเราไม่ต้องดูตัวอย่างอะไรนะอาตมาอบรมกรรมฐานในที่ตึกสวอเนี่ยทำมานานแล้วนะตั้งแต่ 2,521 21 31 41ได้20กว่าปีแล้วนะฮะก็บางครั้งในนั่งสมาธิกำลังจะดีในกำลังจะสงบเนี่ยโยมก็เอาอะไรกระดาษก็แปรบอะขยำแกรบเดียวแตกเลยสมาธิแตกเลย วันคนเป็นอันมากนี่ต้องเตือนกันบ่อยๆว่าต้องช่วยกันต้องช่วยกันว่าถ้าไม่สามารถนั่งให้สงบได้อย่าทําลายความสงบของคนอื่นเพราะคนอื่นจะพลอยไม่สงบไปด้วยดัยงนั้นท่านบอกว่าไม่คบคนที่มีกายไม่สงบแต่ว่าเราครบคนที่มีกายสงบมันช่วยกันช่วยกันเกอกูลช่วยกันช่วยกันประครับประคองนะฮะเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราก็อิงอาศัยกันได้กัน ทีนี้จิตใจเราเองที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าใจเราเนี่ยมันจะต้องโน้มน้อมก็มาหาความสงบยินดีในความสงบเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าพระอาจารย์กรรมฐานทางภาคอีสานเนี่ยท่านอารมสมบูรณ์จริงๆเลยเราไปบางวัดเนี่ยเราเจอเนี่ยเราเข้าห้องน้ําเราใช้ไม่เป็นเนี่ยเรื่องบางเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเราก็จะเห็นเราอยู่กรุงเทพ แต่เรเหนในป่าจังหวัดทางภาคอีสานเะนี่ยญาติโยมดูแลก็เรียกว่าบำรุงเกือบบำเรอไปเลยนะฮะแต่ทำไมล่ะญาติโยมเขาเป็นสุขที่ได้บูชาอาจารย์เขาเพราะว่าเขาได้รับความสงบได้รัความเยือกเย็นรับความสุขกายสบายใจนะพระครูบาอาจารย์นั้นสั่งสอนแต่ลองสังเกตว่าวัดเหาเนี่ยเวลาทอดกระถิน้วน่าดูนะฮะ แนวสมาธิเนี่ยเป็นแนวที่ ท, ที่น่าคิดมากเพราะว่ามันให้ความสงบให้ความเยือกเย็นเปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตประจำวันไปเป็นบรรยากาศสงบเย็นเราลองดูว่าวัดต่างๆที่หาเงินเนี่ยไม่มีใครสู้ธรรมกายได้จะท่มาธรมธรมกายใช้อะไรใช้ระดับสมาธิเนี่ยก็นี่คือปัสสุบสมาธิเนี่ยปัจสุบก็คือสงบกายสงบวจจา นะแล้วก็ใจสงบส ง, งบด้วยการชี้นาด้วยอะไรก็ไม่รู้เขาก็เห็นความสงบมันก็ดีกว่าไม่สงบก็แล้วกันเนะี่ยอย่างวัดอาจารย์ศรีอาจารย์ชาอาจารย์สมชายอะไรตนะ่ออะไรเนี่ยวันก่อนพบกับอาจารย์ทูลก็เขาก็เป็นลูกศิษย์นะทีจริงก็น่าทึ่งกับเราทึ่งกัเขาว่าก็ เ, าเก่ง ก็สร้างเจดีราคาตั้งแปดสิบห้าล้านเวลาเพียงเท่าไรสิบห้าเดือนเขาบอเสร็จนั่นคืออะไรคือว่าคนที่ที่มาที่เข้าหาเขาที่คบเขาเนี่ยเขาก็เป็นกายที่สงบพอคนคบเนี่ยมันก็ได้ความสงบได้ความสงบก็ก็เป็นสุขเป็นสุขมันก็เกิดสนึกคุณสนึกคุณก็อยากจะบูชาคุณ อยาจะบูชาคุณก็เลยก็ดูแลทนุถนอมหวงห่วงกันนะฮะเราเห็นว่าอาจารย์กรรมาฐานส่วนมากมักมีเจ้าของเยอะนะโยมที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่เยอะเป็นผู้เจ้ากี้เจ้าการดูเยอะเลยบางทีก็ไปเจอไปเจอไปเหมือนกันนะนะแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าจิตมันน้อมไปที่ปัตติสัมโพชฌงและเราเองเขาหากับคนที่มีกายสงบเนี่ย มันก็ต่อกันไปเป็นลูกโซ่เหมือนกับลูกศิษย์ครบอาจารย์ที่มีกายสงบตัวเองก็ยินดีในความสงบก็น้อมไปหาความสงบมันก็ต่อกันไปเป็นแถวไปแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสู่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมข้ออื่นๆเพราะกุศลธรรมในปัญหาว่าการเกิดเขาคือกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดแล้วในกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้น ผู้เจ้าก็สอนให้เรากระทาบําเพ็ญให้มันเกิดมากยิ่งขึ้นเกิดมากเกิดน้อยเท่าไรก็ตามต้องพยายามทําให้มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นทางเกิดของปฏิสธิสำโพชงเราก็มีการตรวจสอบมามองดูเราเราเห็นคุณธรรมเหล่านั้นภายในใจอย่างน้อยไปก็พยายามทําให้มากขึ้นแล้วก็จะสัมผัสความสงบด้วยายมันตรวเองต้งฟังทั้งหลาย ในลวงระพุทิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขพความเจริญององามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี